เป็นฝ่ายชั่วตรงกับคำว่าตันหาในเมื่อตันหาก็เป็นคำเด่นเป็นที่รู้จักกันดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นฉันทะที่ไม่ดีนี้ก็ใช้คำว่าตันหาแทนไปเสเลยฉันทะที่ดีเป็นกุศลมีชื่อเต็มว่ากุศลธรรมฉันทะบางทีเรียกสั้นเป็นกุศลฉันทะบ้างธรรมะฉันทะบ้างในเมื่อฉันทะที่ไม่ดีเรียกว่าตันหาไปแล้ว ไม่ต้องกลัวว่าจะสับสนชันทะที่ดีนี้ก็เรียกคำเดียวว่าชันทะไปเลยส่วนชันทะอย่างกลางๆที่เรียกว่ากัตุ ก, กรรมมยตาชันทะคือความต้องการทำหรืออยากทำโดยทั่วไปก็ใช้ในความหมายข้างดีถือเป็นกุศลธรรมฉชันทะอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็รวมอยู่ในคำว่าชันทะนั่นแหละด้วยถึงตอนนี้ก็ยุติได้เป็นอันว่าเหลือสองคบอกว่า แรงจูงใจคือความอยากความปรารถนาหรือความต้องการมีสองอย่างคือหนึ่งความอยากความต้องการที่ไม่ดีเป็นอกุศลเรียกว่าตัณหาแปลว่าอยากเสพอยากได้อยากเอา 2. ความอยากความต้องการที่ดีเป็นกุศลเรียกว่าฉันทะแปลว่าอยากทำ คืออยากทำให้ดีงามสมบูรณ์เป็นอันว่าใช้คำหลักเพียงสองคำคือตันหากับฉันทะเท่านั้นพอแล้วครั้นยุติได้อย่างนี้ก็ปลอดโปร่งโล่งสบายใจโดยมีความมั่นใจพร้อมด้วยเพราะที่ลงตัวนั้นก็สอดคล้องตามมติที่ถือสืบมาของอัตถกาถาและคำบีทั้งหลายที่สุดท้าย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 ท่านต้องการให้รู้ความต่างระหว่างฉันทะสองอย่างที่บอกชัดโดยระ บ, บุออกมาว่ามีสามอย่างนั้นไม่พบเลยบ้างแห่งระ บ, บุชัดออกมาเลยว่าเป็นสองอย่างคือชื่อนั้นชื่อนั้นว่าโดยทั่วไปก็คือแยกเป็นสองอย่างได้แก่ 1. ตันหาฉันทะคือฉันทะที่เป็นตันหา 2. กัตตุกรรมมยตาฉันทะคือฉันทะที่เป็นความอยากทา พบในอัตถคถาสองคำพีที่ประมวลสาระในเรื่องนี้เขียนไว้เป็นหลักชัดลงไปทีเดียวคือในคัมภีร์ปรปัญจะโสธณีและประมัตตีปณีท่านกล่าวไว้ว่าความปรารถนาในบาลีว่าปัตนาแปลเป็นไทยง่ายๆว่าความอยากมีสองอย่างคือหนึ่งความปรารถนาที่เป็นตันหาบาลีว่าตันหาปัตนา แปลงง่ายง่ายว่าอยากด้วยตัณหาสองความปรารถนาที่เป็นฉันทะบาลีว่าฉันทะปรารถนาแปลงง่ายง่ายว่าอยากด้วยฉันทะนี่คือหลักที่ท่านแสดงไว้อันถือได้ว่าเป็นการมาถึงจุดบรรจบที่พึงยุติการจำแนกแรงจูงใจแห่งความอยากความต้องการเป็นสองอย่างคือตัณหากับฉันทะดังที่ได้แจกแจงมาแล้วนั้น